Bye. คุณแม่ตอนที่สทีนี้ลองกลับมาดูตัวเองบ้างหลักสูตรวิปั ส, สนาคือการมองตัวเองรู้จักตัวเองหาข้อบกพร่องของตัวเองเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนเลี้ยงข้าวเรามื้อหนึ่งเราต้องเลี้ยงเพื่อนตอบไหมต้องเลี้ยงเพราะถ้าไม่เลี้ยงเพื่อนมันไม่คบเรายืมเงินเพื่อนมาร้อยหนึ่ง เราต้องคืนเพื่อนไหมเราต้องคืนถ้าไม่คืนเพื่อนไม่คบแล้วต้องคืนเท่าไรบางครั้งต้องคืนร้อย่ต้องให้ดอกเพื่อนด้วยเราเป็นนี่ใครเราต้องใช้นี่คนไม่ใช่นี่ไม่ใช่คนดีใครมีบุญคุณต่อเราเราต้องทดแทนบุญคุณคนที่ไม่รู้คุณคนไม่ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณไม่ใช่คนดี ลูกทุกคนลองหลับตาแล้วคิดย้อนหลังด้วยใจเป็นธรรมพระคุณของแม่ที่มีต่อเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านมีบุญคุณต่อเรามากมายขนาดนี้เราเคยทดแทนบุญคุณท่านบ้างหรือยังเรายืมเงินท่านมาหนึ่งร้บาทเราใช้คืนท่านห้าสตางค์ถึงหรือยังแล้วเราคิดว่าเราจะใช้คืนท่านเมื่อไหร่ ผู้จัดการธนาคารคนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายออกมาพูดเปิดใจบอกว่าอาจารย์ครับผมภูมิใจว่าผมนี่เป็นคนยอดกตันยูผมเอาเตี่ย ม, มาเลี้ยงเตี่ยอยู่กับผมแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วฟังคำบรรยายของอาจารย์ผมถึงรู้ว่าผมนี่ยังเร็วมากครับต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เร็วยังไงเอาเตี่ย ม, มาเลี้ยงก็ดีแล้วนี่ เตียมาอยู่กับผมจริงตอนเช้าแต่งตัวเสร็จผมนั่งกินอาหารเช้ากับลูกเมียกินกาแฟเสร็จก็เดินผ่านเตี่ยไปทำงานกลับจากธนาคารก็เดินผ่านเตี่ยไปคุยกับลูกกับเมียไม่ได้คุยกับเตี่ยสักคำผมมาประชุมที่กรุงเทพโทรศัพท์ไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดเตียมารับโทรศัพท์ผมบอกว่าไงรู้ไหมเขาพูดกับติ๋มหน่อยเตียดีใจวิ่งมารับโทรศัพท์ เทนนี่จะถามเตียว่าสบายดีหรือไม่มีสักคาจะพูดกับติ๋มเท่านั้นใจเจือดจริงๆวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเวลาว่างผมจะเดินผ่านเตียวไปเล่นกับหมาให้อาหารหมาจับหมาอาบน้ําเป็นห่วงเป็นใยหมาพูดคุยกับหมาโดยไม่เคยพูดคุยกับเตียสักคาเตี่ยนั่งน้ําตาไหลเห็นหมาสําคัญกว่าเตีย ปล่อยเตียให้นั่งพิงเสาเป็นตาแก่เที่ยวไร้ค่าคนหนึ่งผมไม่เคยถามเตีย๋ยสักคำว่าเตีย๋ยสบายดีหรือผมนี่เร็วจริงๆครับเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนึกว่าเป็นคนดีหลังจากปฏิบัติธรรมนี่จึงมองเห็นความเร็วของตัวเองผมเร็วมากครับอาจารย์กลับไปบ้านคราวนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่ต้องมีเวลาให้เตีย๋ยมากขึ้นอาจารย์ชื่นใจที่สุดเลย เราลองมาดูเรื่องวัวกันต่อพอรถอาจารย์จอดเห็นว่าไม่เป็นอันตรายแล้วแม่วัวก็ค่อยๆชวนลูกเดินค้าถนนไปแม่วัวยอมสละชีวิตยืนขวางรถเพื่อช่วยชีวิตลูกถามว่าเมื่อลูกวัวตัวนี้โตขึ้นมันจะกระตันยูพ่อแม่มันยังไงบ้างไม่ได้ตอบแทนลูกวัวเป็นสตัตว์เดรัจฉานคุณธรรมมีน้อย มีบ้างแต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่าคนพูดได้ว่าเกือบจะไม่มีเลยโดยพฤติกรรมของมันลูกวัวเป็นสัตว์เตลิดฉานพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลิกกินนมวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาเอาลำตัวไปถูถ่ายแม่มันเล่นแล้วก็เดินจากไปลืมแม่ของมันเราก็สรุปว่าตกลงลูกวัวสู้ลูกคนไม่ได้ใช่ไหมแต่อาจารย์ว่าไม่แน่ ที่ว่าไม่แน่ก็เพราะว่าอาจารย์มั่นใจร้อยเปอร์เซนและรับรองว่าเจ้าสัตว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นแล้วมันจะไม่เถียงแม่มันจะไม่ตวัดแม่มันจะไม่กระแทกจานกระแทกสิ่งของใส่แม่มันจะไม่กระทืบเท้าใส่แม่และที่สําคัญสัตว์เดรัจฉานตัวนี้มันจะไม่ขยี้หัวใจแม่เห็นไหมสัตว์เดรัจฉาน ถึงแม้มันจะไม่แทนคุณแต่มันก็จะไม่ทำให้แม่มันต้องน้ำตาไหลอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะผู้จัดการหญิงจบปริญญาโทแม่จบป .4 ตอนนี้เรามีปริญญาีงานทําหน้าที่การงานใหญ่โตรูกว่าตัวเองเก่งกว่าแม่แม่มาเตือนด้วยความเป็นห่วงเราเป็นเจ้าเป็นนายคนแล้วระวังนะลูกอย่าทาอย่างนั้นนะลูก อย่าทำอย่างนี้นะลูกระวังไอ้นัน่นระวังไอ้นี่ลูกสาวทำยังไงรู้ไหมประหวัดแม่พูดอยู่นั่นแหละพูดแล้วพูดอีกขยันพูดจริงๆไม่รู้จะพูดไปถึงไหนรำคาญจะตายอยู่แล้วน่าเบื่อจริงๆกระแทกแฟ้มโครมใส่หน้าแม่เป็นไงน่ารักไหมตอนนี้กำแหงคิดว่าตัวเองเรียนสูงจบปริญญาโทเป็นผู้จัดการตำแหน่งใหญ่โต คิดว่าตัวเองเก่งกว่าแม่เฉียงแม่ต ว, วาดแม่แม่เสียใจน้ำตาไหลพูดเสียงสั่นเครือว่าถ้าไม่ใช่ลูกแม่แม่ไม่สอนวันสุดท้ายมานั่งสารภาพทางน้ำตาบอกว่าหนูเร็วมากถ้าไม่มาปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ความเร็วของตัวเองนี่ใหญ่ขนาดนี้มองไม่เห็นหนูชั่วเหลือเกินอาจารย์ลูกเที่ยวรัก ขื้นชื่อว่าพ่อแม่ย่อมเห็นลูกเป็นเด็กอยู่ร่ำไปไม่ว่าลูกจะโตมีย่ามีเรือนมียศมีตําแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางทีเป็นอาจารย์สอนคนด้วยซ้ำในสายตาของพ่อแม่ก็ยังมองว่าเป็นเด็กเป็นลูกของแม่เสมอคอยเตือนคอยสอนอยู่ร่าไปคาสอนของพ่อแม่มีค่าเสมอ แม้คำสอนบางคำบางตอนจะปรับปนออกมากับถ้อยคำที่ฟังดูหยาบคายภายใต้สีหน้าบึ้งตึงก็ยังคงเป็นคำสอนอันประเสริฐเพราะกลั่นมาจากใจที่ปรารถนาดีของท่านๆๆๆๆการสอนคนไม่ใช่ว่าทำกันได้ง่ายๆ Photoshop, ไม่รักไม่เมตตาไม่ปรารถนาดีจริงๆไม่มีใครอยากสอนให้เหมื้อยปากหรอก แต่สำหรับพ่อแม่แล้วท่านไม่เคยเบื่อนายย่อท้อต่อการสอนลูกเพราะท่านอยากให้ลูกประสบความสำเร็จได้ดีได้ดีเป็นเจ้าเป็นนายคนและที่สำคัญอยากให้ลูกมีความสุขลูกๆทุกคนลองนึกภาพดูคนที่ขาดพ่อขาดแม่หรือคนที่พ่อแม่ไม่เอาใจใส่อบรมดูแลอนาคตเป็นอย่างไร เป็นเด็กเกเรไม่มีการศึกษาร้อยความคิดไม่มีมารยาทสุดท้ายอนาคตก็ฝากไว้กับสิ่งเสพติดติดคุกติดตารางหมดอนาคตลูกๆทุกคนในที่นี้นับว่าโชคดีที่สุดที่มีทั้งพ่อและแม่คอยอบรมสั่งสอนคนที่มาปฏิบัติวิปัสสนาแล้วจะเกิดปัญญาจะเห็นตัวเองให้คะแนนตัวเองได้ จะเห็นว่าตัวเองจิตอะไรเร็วอะไรแล้วเกิดความสะเทือนใจร้องไห้เริ่มรู้สึกตัวเป็นอันว่าใครที่เห็นความชั่วความบกพร่องของตัวเองที่ทำไว้กับผู้มีพระคุณสูงสุดคือคุณพ่อคุณแม่นอกจากไม่ตอบแทนคุณท่านให้คู่ควรแล้วเราเคยกระแทกเคยดุเคยตวาดท่านเหมือนเป็นคนใช้กี่ครั้งเคยเถียงเคยทะเลาะ เคยกระทืบเท้าใส่ท่านจนทําให้ท่านต้องน้ำตาตกกี่ครั้งเคยขยี้หัวใจแม่มาแล้วกี่ครั้งจำได้ไหมวันนี้ยังไม่สายยังขออโหสิกรรมกับท่านได้เมื่อออกจากปฏิบัติธรรมแล้วเอาดอกไม้ทุกเทียนไปกราบเท้าขอกมาท่านที่บ้านจะเป็นมงคลต่อชีวิตลบล้างอัปมงคลที่ทามาจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมจะใสสะอาด ความชั่วต่างๆที่เคยทำจะปุดขึ้นมาให้เห็นเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วรีบแก้ไขเสียตอนนี้ลูกเห็นตัวเองอยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ลูกเห็นสิ่งสกรปรกเปื้อนหน้าต้องมีใครบอกลูกไหมไม่ต้องบอกลูกเห็นความผิดของตัวเองเกิดปัญญาจากการภาวนาลูกเข้าห้องน้าแล้วล้างเองพระพุทธเจ้าตรัสว่า คนพานที่รู้ว่าตัวเองเป็นพานคนนั้นกำลังจะเป็นบัณฑิตตัวเราเลวถ้ารู้ว่าตัวเองเลวนั่นแหละรูป ก, กำลังจะเป็นบัณฑิตกำลังจะรับปริญญาจากพระพุทธเจ้าใครที่เข้าถึงแสงธรรมนี้แล้วเขาจะได้พบกับชีวิตใหม่เท่าแก่คนหนึ่งมาปฏิบัติธรรมช่วงเปิดใจออกมาเล่าให้ฟังว่า อาจารย์กลัวไม่รู้เรื่องอะไรหรอกปฏิบัติทงปฏิบัติธรรมว่ามีลูกสาวสองคนคนหนึ่งจบปริญญาตรีคนหนึ่งจบปริญารนนรญาโท เ, เดินเดินเป็นหมื่นๆมาปฏิบัติวิปัสนาที่นี่พอกลับไปบ้านเอาแม่เอาเตี่ยมานั่งคู่กันแล้วเอาดอกมะลิมากราบเท้าน้ําตาไหลเตียกับแม่ก็น้ําตาไหลชื่นใจมีลูกยอดกระตันอยู มันเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทไม่เคยทำอย่างนี้พอจบปริญญาวิปัสนาของพระพุทธเจ้าจึงทำได้อัวไม่เคยรู้จักวิปัสนาลูกเอาใบสมัครของอยุวพุทธมาให้เซนอัวก็เซนวันนี้อ้วเลยมาอยู่ที่นี่อัวปลื้มใจเหลือเกินที่มีลูกกระตันยูเตี่ยวเล่าไปร้องไห้ไปในขณะนี้ใครมีลูกสามคนห้าคน อยากรู้ว่าลูกคนไหนเป็นคนดีดูยังไงดูตรงไหนต้องดูที่ใจคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเราก็เหมือนกันอยากรู้ว่าเป็นคนดีหรือไม่ต้องอ่านเข้าไปถึงหัวใจอาจารย์ใช้คำว่าแหวหัวใจออกดูถ้าเต้นสองจังหวะคนคนนั้นเป็นคนดีพึ่งได้ทำความดีกับเขาเถอะเต้นสองจังหวะคืออะไรจังหวะที่หนึ่ง รู้คุณเที่ยวเราอุปการะบำรงเลี้ยงดูพวกนี้รู้เฉยๆพูดให้ผู้คนฟังได้ว่าใครมีบุญคุณต่อตนอย่างไรแต่ยังไม่ได้ตอบแทนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเงินเดือนอยังน้อยจังหวะที่สองตอบแทนบุญคุณทั้งรู้ด้วยทั้งตอบแทนด้วยถ้าหัวใจของคนคนไหนเต้นสองจังหวะอย่างนี้เมื่อไรบอกได้เลยว่า คนนี้เป็นคนดีพึ่งได้อุปการะเถอะแล้วจะเจริญลูกสามคนเป็นลูกของเราทั้งสามคนแต่ไม่เท่ากันตรงนี้อยากรู้ว่าคนไหนดีต้องดูที่รู้คุณและตอบแทนคุณต้องมีสองอย่างคนรับใช้ที่บ้านอาจารย์เป็นผู้หญิงอายุ 16-17 ถึงปีวันสิ้นเดือน9ก้าโมงเช้าจ่ายเงินเดือนให้ 2,000 กว่าบาท ประมาณ1ิบโมงถึง11โมงซักผ้าเสร็จครันเข้ามาหาอาจารย์เดี๋ยวหนูขออนุญาตไปข้างนอกนะคะนี่พอได้เงินแล้วจะไปเที่ยวนัดเพื่อนเที่ยวหรือเปล่าค่ะอ้าวแล้วจะไปไหนหนูจะรีบไปส่งเงินให้แม่หนูค่ะแม่หนูอยู่หนองทายแม่หนูจนหนูจะรีบส่งเงินไปให้แม่ใช้อาจารย์ฟังแล้วสะเทือนใจโอ้หน้าตาแบบนี้ทางานอย่างนี้ ยังรักแม่ขนาดนี้กรตันอยู่กับแม่ขนาดนี้ลูกบางคนหน้าตาดีการศึกษาดีพอรับเงินเดือนเสร็จโทรนัดเพื่อนชวนกันไปกินเหล้าเห็นไหมข้างไหนเป็นเพชรข้างไหนเป็นก้อนปลวดดูตรงนี้เด็กคนนี้ถ้าเราเมตตากรุณาเขาเบยงดูเขาต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะดูแลเรา ป้อนข้าวป้อนนา้ำให้ยาพาไปหาหมอเขาจะสะท้อนความประตันยูมาหาเราตอนเราเจ็บใข่ได้ป่วยบางทีลูกของเรายั ง, ยงไม่สนใจเราเลยเด็กคนใช้จะอยู่ใกล้ประคับประคองปรนิบัติเราตลอดดียิ่งกว่าลูกเราเองก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเครื่องหมายของคนดีวิธีพิสูจน์ที่ดีที่สุดคือหัวใจต้องเต้นสองจังหวะ